2. อ, อังคุลิปะโตทกะสิกขาบท 105. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะใช้นิ้วมือจี้ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขี